นี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะของเดือนสิงหาคมจนกว่าวันอาทิตย์ที่22สิงหาค25าม2547กาที่พระท่านให้แนะนำนะก็จะพูดถึงเรื่องของกำลังใจเป็นหรือบารมีเป็น การปฏิบัติพืให้บารมีเราเตมเนี่ยเขาทำกันอย่างไรก็ตั้งใจฟังนะหลับตาให้สบายไม่ต้องหลับเลยนะนะหลับเพื่อไม่ติดในเวนวายแลื่อื่นแล้วกำลัง เ, เอาหูเราฟังเสียงคิดพิจารณาตามคือว่าเราก็เป็นคนต้องการต้องการปรารถนาให้บารมีอของเราเต็ถ้าบารมีออรเราต็มพักคนเราก็ต้องเกิด ถูกไมในการปฏิบัติในเรื่องของบา ร, รมีที่เพอทุกคนในชื่อตนี้นอยู่ตามชำนาญเรียกว่าทำมาากคือการให้ทานการให้ทานอย่างไรถึงจะจัดว่าบา ร, รมีเต็มเราจะรู้ได้อ่งไว่าเราจบแล้วในทานบา ร, รมี ้จเธอทั้งหลายตั้งใจคิดว่าเราเป็นคนที่ยินดีในการให้มาเรื่องอะไรก็ยินดีให้ทำอะไรก็ยินดีช่วยทุกคนเนี่ยก็เรืยกว่าเป็นผู้ที่ให้ทานมามากแต่การให้ทานของเรามันจะมม่ด้วยเหตุผลอะไรนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งจะให้พอาะ่งนั้นจะให้เพาหตนี้ให้เพราะบังทีก็มาจากการ รักษาตัวเราให้ปลอดภัยจากความทุกข์นึกอันตรายที่จะเกิดขึ้นเราก็ให้ให้พระตาเมา่ตาเราก็ให้เมตตาคนอื่นก็ให้เมตตาตัวเองก็ให้สงสารคนอื่นเราก็ให้สงสารตัวเองเราก็ให้ไอคำว่าเมตตาตัวเองสงสารตัวเองมันหมายความว่าอะไรอย่านโดยที่เราต้องทําการให้รานก็เพราะเราต้อง ต้องปะเจนได้ต้องเจอกับเรื่องที่มันไม่ดีนะเรื่องที่ทำเวลาต้องทุกผิดหวังไมเป็นอยงาตามปัจจันนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องทำบุญเสียกระดะโดยการให้ทานลงไปใช่ไหมพอหวังว่าผลบุญ น, นี้จะทําให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เราตาตัวเองไหมไม่ตาตัวเองนะ สงสารตัวเออราเองวจะต้องมีความทุกข์จากสิ่งที่เราพลาดโอกาสในสิ่งที่เราต้องทําอะไรออกไปอย่างเช่นเราจะต้องได้ทรัพย์เราก็มาเรศทรัพย์อย่างนี้นะเราจะต้องเจอกับเรื่องที่เป็นอันต ร, รายเรื่องข้อกรรมอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทําบุญให้ถามเพ่อว่าข้อกรรมเท่าไหร่มันจะได้ไม่ปรากฏต่อเราอานี้ที่เรียกว่าโม่าตัวเองสองสารตัวเอง แต่เม่อเรามองไปตกกัคนอื่นเราก็หยุดยิ้มให้ไว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองแม้กระทั่งวาจาพูดเพื่อจะให้เ้ามีตามสุขก็ให้ให้ทั้งคนก็ให้ให้ทั้งสัตว์ก็ให้จะทําทอย่างนี้มาเยอะพ้าย้อนถอยหลังไปกีออ่อาสงไขเ้ก็ทําทอยู่อย่างนี้แหละมากมายเหลือเกิน ต้องเล็ก ด, ดูนะเราคิดว่าสัมผูแต่จริงไหมมากมายแล้วเกิดที่ทํากันเนี่ยถ้าโอกาสไหนบางชาติที่เรามีทรัพมากเราก็ทําอย่างมากมายชาติไหนมีสรัพน้อยเราก็ทําน้อยชาไหนมีบุคคลที่สมควรจากการให้ทานที่เราคิดว่าทำเวลาเรามีบด่นมากเราก็ให้มากมีโอกาสทํามาก ถึงแม้เราจะมีทรัพยน้อยแต่ก็มีความตั้งใจอยากทํามากๆอยากทำบ่อยๆเป็นบังค้าเราได้คดพระพุทธเจ้าอุปติขึ้นในโลกถึงแม้เราจะเป็นคนที่มีทักน้อยแต่ก็ต้องการบุญต้องการตามดีก็ให้ทายสิ่งนี้ออกไปแล้วก็ให้กับพระพุทธเจา้าเป็นประธานให้ข้าพสงฆ์ทั้งหลายเราก็ทําบางภพบางชาติก็เป็นคนที่มีทรัพย์เยอะๆมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง เราจะทำอะงไรก็ได้ง่าําเปิดง่า ย, ายใครเดือดร้อนที่ไหนก็ให้ตั้งโรงทานก็ได้ใค ร, รตรดสินใจจะมาเอาอะไรในโรงทานของเราก็เอาไปได้ร่วมกันให้กับเขาก็าให้ตั้งใจทำเองก็ให้เหมือนกันแต่ลองนึกดูว่าไอ้สิ่งที่คู่เนี่ยมัปรากฏกระเทยมาแล้วถูกต้องไหมมันมีอย่างนี้ปรากฏมาเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะจะให้ทานในเขตของพระพุทธศาสาะนาหรือว่านอกเตขตศาสนาในสมัยที่พระพุทธเจ้าอบัติเกิดขึ้นในโลกก็ดีหรือว่างจากพระพุทธศาสาะนาก็ดีสิ่งนี้ก็ยังดําเนินกระทาอยู่ไม่ขาดสายจึ่งได้ไปกระทำกับบุคคลที่เรารักเราคอลดเลือเล่อนใสที่ท่านเป็นผู้นําชักชวนให้เราได้กระทําในการให้ทานสงข้อคนมั่งสงฆ์สาะะตว์บ้างสงฆ์ในศาสนาบ้ง ก็ยิ่งเก อ, อกจนใจกระทำกันใหญ่เกิดมีอะไรก็ช่วยไม่มีทรัพก็ช่วยรงกายขนตายช่วยเหลือจึงนั้นหยุดยื่เสิ่งนี้ก็ทําไปไม่เห็นช่วยเม็ดจนเนหนื่อยบางครั้งช่ทําำถึงขั้นที่ต้องเสียสละชีวิตเอาชีวิตต้องเสียสละตามสุขสนตัว เ, เ, เสียสละทัพเสียสละาตามสุขที่ต้องอยู่กับสามีภรรยาและลูกพ่อแม่ที่การจางการปกป้อง พื้นแผ่นดินเธอเขาทำไหเธอก็มีโอากาสได้กระทำมาถ้านเหล่านี้เธอทามาเยอะแยะมากมายนับเชื่อหลายอาสงไข่กับที่ผ่านมาถ้าจะเอามารวมๆกันแล้วมันตกองจนจนจึก๊จกจะกวานเนี่ยไม่พอเก็บทานของเธอละที่ทำมามองไปจุดรู้จุดตาของเจก็ยังไม่หมดสิ้นในทาน ท, ที่เธอได้กระทา ถามว่าทำมาเป็นขนาดนี้ทำไมไม่เต็มอะไรทําให้เราไม่เต็มในทางเพราะการทําทานทุกครั้งมันจะต้องมีการกระทบกระเทือนจิตใจต้องเหน่อบ้างถูกไหมการทําทานบางครั้งมันก็ทําได้ยากเพราะว่ามันไม่เพิ่เงินของเราไม่เสร็จทรัพย์ของเราเราต้องขอแม่เราต้องขอสามีเราขอภรรยาเราอย่างนี้เนต้นมันก็ต้องมีถุกถุดครั้งในการที่จะทำทานถูกไหม มันก็มีแลยถ้าทำํำไปแล้วก็จะรู้สึกในสิ่งที่ทำํำว่ากลัวเขาจะจะมูกจิตเตียนกลัวเขาจะคิดไม่ดีกลัวเขาจะให้ความรู้สึกที่ไม่ดีกับเรากับเขาไม่กลัวเขาจะด่าเราแต่กลัวเขาจะเสียความรู้สึกเสีใจกลัวเขาจะคิดไปในทางที่ไม่ีผลไม่ต้องอย่างนี้มีไหมยอย่างนี้ก็มีไม่ใช่มีแต่ภาพนี่ถอยหลังไปถึงอาสงไข่ก็มี ประการแรกทางก็ทํำมาเยอะแยะไมจแต่นอกศาสนาในศาสนากับคนกัสสะก็ทำมีทรัพย์ไม่มีทรัพย์เพลแรงกายก็ทําทํำมาตลอดประการที่สองขณะที่เราทํามันก็มีอุดประบยชน์ดังเปกํากลังใจในการเอาทรัพย์ไปบริจาคทำทางเอาสิ่งของไปบริจาคเพื่อเป็นทางบางครั้งนะบางครั้งก็สะดุดสะดายเล็กเกินคือมีเท่าไหร่ออก็สามารถทำได้เพราะว่าเรวย แจะก็ุกคนติดถึงนินทาบ้างุกคนชื่นชนมยินดีบ้างตวามไม่สุขที่ะละรับสิ่งนี้มาก็สุขไม่กระบายใจบ้างก็มีบางทีก็เลิกทำทานไปเลยก็มีเลิกให้เลยก็มีทั้งเงจังใจที่ต่อนกันมากมายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ถุกก ร, ก, ถ ก, ถกระทบจากการการะทําของเราในการให้ มีมากมายเยอะแยะที่จะพลนาถ้าเธอค่อยๆมองลงไปเธจะเห็นถึงขนที่มันเกิดขึ้นจากเมื่อเธอได้ตั้งใจที่จะให้ผ่านออกไปจริงมากเลยเพราว่าเธอมีมทัพย์ไหมเธออยากให้เหอ้าเหอแล้วแค่เของเธอแล้วก็ะเป๋าจะเริ่งที่จะต้องสละออกไปพอจะที่จะสละออกไปเอาคนที่เรารักห้ามปรามบ้ง เอาไปแล้วจะทำยังไงเราจะอยู่กันยังไงแล้วจะกินยังไงเราจะทำกันยังไงต่อขัดสเสร็จแล้วเธก็ไม่จะบายใจถ้าจะเอาออกไปให้เขาึกเสียดสงสารในความรู้ร ส, รสึก ข, ของคนที่รักว่าจะต้องมีความทุกข์ใจไม่สบายใจก็ไม่กลาาาก้าให้อีกบางครั้งเราให้ทานที่เป็นของหยาบๆหมายความว่าทานที่เราใช้แล้วทานที่เราไม่ได้ไม่ได้สนใจ สิ่นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้สนใ จ, จเราก็เอาเอ า, เ อ, าออกไปให้ไปได้แต่ริงแล้วที่เป็นของสนใ จ, จของเราของดีของเราเราก็เก็บไว้การที่เราแสดงต่ อ, อสิ่งการให้จะรับจากอะไรถ้ารับจากอาจาร์นิสัยแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปบางคนก็ให้ของดีที่สุดแต่ไม่ทําเพื่อ แต่เวลามีผลกระทบกลับมาก็ไม่ถูกใจตัวเองตรงใจไม่ตกก็มีทุกข์อยู่ตรงคนก็ให้ของหยาบๆคือของเหลือเดินของที่ตัวเองไม่ใช้แล้วเอาออกไปได้อย่างสบายใจเหมือนกับคนโอ้เป็นคนที่ใจดีแต่เปล่าไม่ได้ใจดีแต่ที่จเจ็บ คนให้ทานไหมให้ใจเรามันไม่ได้คิดให้เหมือนคนที่เห็นด้วยความสงสารแต่มันด้วยความรังคาของที่เจ็บเ็ขอไม่เรียออกไปจ้ะให้ดีๆเ็บแบบเจ็บแบกระเก่อนให้ของดีเ็บแกะเ็นก่อนขอไม่เรีกให้คนองก่อนาไปก่อนอย่างนี้ก็มีดังอุปกิสัยของคนแต่ไม่ต้องเรื่องผิดเรื่องถูกนะไอนั้นมปนเรื่องของอุปกิสัย แต่เราจะพูดถึงผนที่เกิดขึ้นว่าทําไมดารในของเราจึงไม่เป็นเสถียรังตกบกพร่องอยู่ตรงไหนให้ก็ให้แล้วตลาดก็ตลาดแล้วนะยังดูซิเราบกพร่องอะไรทําไมเราจึงไม่เป็นข้อแรกเลยที่เกิดต้องสังเกตนเะว่าให้ไม่ขาด ไม่ขาดในการให้ไม่จะขอเอาฟาเลากลับไม่ใช่แต่คามรู้สึกที่เราได้ได้เอาออกไปแล้วเนี่ยมันยังมีคามรู้สึกต้องคิดกลับมาอีกเมื่อมีผลกระทบเข้ามาไม่ ว, ว่าเขาจะสแสดงให้เราเห็นด้วยว่าเราไปเห็นเองด้วยยินเองก็ตามก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ชอบใจบ้างเสียใจบ้างบางครั้งเขา โอเคยึดหยอกปอดตั้งเรก็ดีใจบ้างไม่ว่าเครจะดูใจแล้วว่าเธรจะเสียใจในสองอะไรมณ์นี้ก็ยังถือว่าจารมีของเธอไม่เต็มนี่นจะเจงรัดข้อแรกเพราะว่าการตัดใจของเธอมันไม่ขาดออกไปไม้ำประวัติที่คุถึงเยื่อยใหญ่้ี น, นิวรณ์ถูกไหมนี่ก็เหมือนกันมันยัมีนินวรณงที่กวนใจเราอยู่มันทําให้เราต้องคิดถึง คิดถึงไงถ้าเรามีความสงสารมากก็จะพรวงกับความรู้สึกของคนนยากจะคิดความป้งสร้างที่เกิดจากความสงสารใช่ไหมถ้าเรามีความไว้ตามตามากเราคิดจะให้แล้วมันไม่พอสาหรับเขาคือคิดว่าแค่น้น้อยไปมันน้อยเกินไปต้องหาให้มากกว่า น, นี้ใหอดีกว่า น, นี้ให้เยอะกว่านี้ทั้งนี้มันเอเยอะกว่านี้มากกว่า น, นี้เราไม่มีทํำยังไงก็คิดติ คิดจะไปเอาจากไหนคิดจะเอาจากใครคิดจะไปทำอะไรยังไงแล้วก็เอาไปให้เา้าให้เขาได้เต็นเต็มตัมงใจไม่ตา่างนั่นเป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเราน้ารู้คนอื่นนะ่าไม่รู้หรอกแต่โชวรู้วโชว์ของตัวเองได้ชัดเจนว่ามันไม่ขาดให้ไม่ขาด บางคนให้หวังผลตอบกลับมาหนึ่งคือผลของอานิสงส์ของบุญที่จะถึงได้คืออานิสงส์ของทางที่ได้กลับมาสองผลที่ตอบกลับมาก็คือคำชื่นชมยินดีแล้วก็มีอีกหลายหลายอย่างที่มาทางานกลับมาแล้วก็มีการปรารถนากลับมันมันก็เลยไม่ขาดออกจากใจใช่ไหม เขาระทำยังไงล่ะเราจะเลิกรักแตเรามีคนเราให้สนเร็วๆจะทํายังไงพราเจะจกล้ากรับว่าเธอต้องขยันที่จะทํำบ่อยๆือนคนเราเราจะละจะห น, นีก็ต้องให้บ่อยๆคิดที่จะให้บ่อยๆเอาออกไปดูที่อะไรที่มันออกไปได้บ้างอะไรที่โราตนงหนึบตึหนีที่เหนียวออกไปได้ให้ไม่ได้ เสีดายโดยที่มันอะไรยังมีไหมเรายังเห็นว่ามันเป็นเพื่อให้ความสุขกับเราอยู่ไหมหรือว่าเราเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ได้มีความหมายสําคัญอะไรแล้วต้องการจุตเดชหคือพระนิพพานจิตไม่กลับมาเกิดเราคิดอย่างนี้หรือเปล่าเรายังผวงหน้าผ ว, วงหลังกระของที่เราจะให้มีไหมมันต้องทําบ่อยๆใช่ไหมทำบ่อยๆเข้าเราก็จะจับอารมณ์ตัวเองได้เห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เห็นทิ้งเยตุคิด ทำไห้ใจของเราบั้นตุ้งสร้างได้ใจเพื่อนานให้ทีนานให้ทีมันไม่มีทางหรอกถ้าตกแบบนี้มันไม่ถึงผลแน่ใครจะตกให้ใจในทางบารมีนะแต่การให้เราจะรู้เลยว่าสุดทุกที่เกิดขึ้นในใจของเรามันเป็นตัวฟ้องขาดหรือไม่ขาดมันก็เป็นตัวฟ้องของการให้ทานของเรามันไม่ได้สำคัญที่ว่าเรามองสัง ภายนอกสำคัญคือทรัพย์สำคัญจำนวนของทรัพย์สำคัญเป็นของที่เราให้สำคัญเรามองอะไรก็ต้องคิดใช่ไหมแต่เราทาบ่อยๆเขาก็รู้สึกอ่าเอาเราให้อย่างนี้เราดิน้นรนอย่างนี้นมันทุกข์นี่มันความทุกข์นั้นนั้นทุกข์ก็สแสดงว่าเราไดาบาเมียก่อถ้าบารมีเราเป็ น, นมันจะทุกข์ทำไมนั่นหมาจถึงนี้การให้สู่ความสุขจะทําอะไรเป็นทุกข์ถูกต้อ ง, ง, งไหมพระพุทธเจ้าบอกการให้เป็นสุข การให้เส้นกันแล้วเรามาพิจาาความสุขแต่ทําไมความสุขของเรามันไม่เต็มมันไม่ใช่ความสุขมันกลับมีอะไรที่หนักหน่วงถ่วงใจไว้มีอะไรตามมาทําให้ต้องคุ้นคิดแล้วก็วิ่จบกับมันดึงใจงให้เราต้องหวนกลับไปหาสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วมันก็นไม่ขาดออกใจากใจไปเลยไม่จบดำเนินในการคิดต่อพวงต่อกลัวต่อะต อ, อะไรอย่างนี้จ น, นที่มันต่อไปอีก นี่แหลเป็นการจะทําเพื่อการปฏิบัติในเรื่องของบา ร, รมีนั้นเราต้องให้ทำบ่อยๆทาให้เกิดเป็ญยาให้ได้ทําแล้ต้องคิดพิจารณาเสมอว่าเอ๊ะมีเราตั้งใจให้เพราะอะไรเราตัาสินเห็นความสําคัญในสิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกมีความหมายหรือเปล่าเราเห็นความสำคัญอะไรสําคัญจะทักษะศาสนาถ้าทักษะศาสนาไม่มีสิ่งนี้ทักษะศาสนาะจะย่ำแย่ไหม ที่นั่นที่มี่น่นไม่ปรากฏอยางนี้จะเป็นยังไงไหมถ้าทุกอย่ า, ไไานี้คือบาล า, ม, ม, าลมีเติมไหมก็รับตรงไหนวัดตรงที่ใจเราุกไหมเรารด้เล่นไหมแต่เรายัางยังต้องการกระทําให้มันเกิดขึ้นไหมถ้ามัานไม่ตามยินดีแต่สิ่งนี้แล้วมันเบ่งใจเราให้เกิดต้องกระทําต้องกระทําแล้วโดนในจิตใจนั่นแสดงว่าบาลามุอะไรยังไม่จติแต่ถ้าใจของเรามันไม่ไม่ไปไหน ไม่มีตามยินดีอยะไร้จะเป็นใจที่จะกระทําสิ่งนั้นเพื่อเห็นใจประโยชน์แห่งพระศาสนาก็ดีเห็นใจประโยชน์ตัวเรือก็ตามแล้วก็ทํามันออกไปอย่างไม่มีความเย่อยิ่อะไรเอาวว้กับสิ่งที่ได้กระทําเลยแล้วเร า, าด้วยความสุขความสุขนี่ไม่ใช่ปีติจะเป็นความสุขจากคามเข้าใจในธรรม ความสุขทีวีแต่ตามจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบินดนนี้เลื่แล้วแต่เป็นของอาจสมมติจะได้สิ้นตรงศูนยเปล่าก็ได้การให้ของเราก็จ่อเหวี่ยแค่ให้เขาได้มีความสุขแต่เราสําหรับเราตรงนี้ไม่ใช่ความสุขเราไม่ได้ป่ายปัาตรงนี้คือความสุขแลาป่ายปัาการไม่กลับมาึเกิดเมื่อเราทําออกไปแล้วความบริใจจะมีไหมไม่มีแล้วก็ไม่เสียใจแล้ว่าใครเขาจะตระหนักผิดเพี้ยนเราไม่เข้าใจเรก หรือใครจะคิดยังไงรู้สึกยังไงก็ไม่อาจกลับมาคิดในใจตนเลยยินดีก็ไม่มียิยร้ายก็ไม่มีสุขจากการที่ให้ก็ไม่มีคุกจะการที่ให้ก็ไม่มีทําไมจึงไม่สุขไม่ทุกข์ทำไมจึงไม่ยินดีไม่ยิร้ายเพราะอะไรจะรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้มองเรื่องเหล่านี้สําคัญไปยิ่งกว่าการที่ไม่กลับมาเกิด ไม่เห็นจริงเหล่านี้มีค่ามีความหมายที่จะต้องไปสุขกับมันเพราะว่านิพพานสุขยิ่งกว่าสุขไหมาการไม่มีร่างกายเป็สุขยิ่งกว่าทําอะไรจะมาต้องเพ้อฝันคิดเอาฟาวสุขเพียงแค่นี้ว่าเป็นความสุขดีแล้วดีใจมันจึงไม่เกิดเลยก็เพราะมันคิดอย่างนี้มันวางใจเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็เลยยึดติดความยินดียินร้ายไในสิ่งที่เขาทำออกไปถามว่าแล้วทําไปทําไมเมื่อไม่มีความยินดีเมื่อไม่มีความยินร้า ทำเพื่ความเมตตาทำเพื่ความกรุณาถูกต้องไหมมีสิ่งนี้ในใจของผู้ที่เห็นว่าควรจะทําออกไปเพราะของหลาลานี้มันมีความสําคัญต่อคนอื่นแต่สำหรับเรามันไม่สําคัญแล้วจึงสละออกไปได้อย่างเป็นอกเจงใจและก็ไม่แปรวงว่าจะต้องทําให้มันดูขนาดไหนต้องเป็นแบบว่าดูยอย่างลำพ่อของเราถ้าไม่ได้ยินเยียร้ายในการก่อสร้าง แม ЕН ้ได right? ้ย to ินดีวิจในการจะทําอะไรให้เกิดขึ้นเป็นบุญถูกไหมท่านทำทุกอย่างทำให้มันจบ่อไปจบลงไปเท่านั้นต้องการจริงว่าพวกเธอทุกคนเพื่อจะได้ยินดีในการที่ท่านจะบอกว่าทำอย่างนั้นที่ลูกทำอย่างนี้ที่ลูกท่านจะอยากจะบอกพักเธอให้ทํำบ่อยๆแต่เขาให้ต้องการให้เธอเนี่ยมีบุญรู้จักคิดรู้จักมองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอก็จะกันแน่แน่กับนิพพานของเธอเป็นอารมณ์เดียวนั้น ไม่เห็นว่าตัศมีตามหมายไม่เห็นว่าสิงต่างๆนี้มันเป็นคามสุขไม่เห็นว่าสิ่งอ น, นี้เราจะต้องไปทุกข์กับมันถ้าเมืาา่อไรก็ตามที่อารมณ์ใจของตัวเไม่ขึ้นไม่ลงไม่เควงของสิ่งหรือใครจะตําหนิหรือใครจะถมไม่สนใจในสิ่งที่ทําออกไปจะจเสร็จหรือว่าไม่เสร็จจะเกิดผลหรือว่าไม่เกิดผล เราจะจิตจะตายเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเหมือนที่พระพทธเจ้าทรงถามหลวงพ่อว่าห่วงไหมที่ฐานอนุปถัมยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จห่วงไหมแล้ก็ะถามลงใจหลวงพ่อจะไหมหลวงพ่อกบอกไม่มีอะไรห่วงไม่มีอะไรกังวลใจเพราะว่าความตายกับความตุก มันกำลังจะคลืค่อนเคลืค่อนผ่นานเข้ามาห า, ากับมิพพานที่เป็นอารมณ์สมจที่เป็นญาติของตามปัจจานะกําลังจะใส่ฟ้าได้มาแล้วทำไมจะต้องดึงใจกับไปห่วงกังวลกับไอ้สิ่งที่ไม่มีสาระอะไรอันไม่ใช่ความุกอะไรเลยถูกต้องไหอนั้นเราต้องพยายามที่จะคิดทำบ่อยๆน้อยมากพยายามทําออกไปพยายามละออกไปทําออกไปไม่ใช่ทำเปล่าๆถ้าทําำั้ำๆซากๆมันก็เหมือนกับ กี่อาสงไข่นั้นที่ผ่านมาก็วรบกวนเหมือนเดิมทำในอารมณ์เดิมแต่เธอจะขนมามานในภาวะที่เกิดเกิดเป็นเป็นหาเสกผีและเป็นพระราชาหรือเคยคายที่เจอยากจนเสีนใจจะเจอได้มีโอกาสได้ทำทานก็เถอะเธอก็ทําด้วยอารมณ์เดิมเดิมเหมือนเหมือนกันแม้จะมีความดีขึ้นเลงแค่ไหนเพียงแต่ว่ามันซ้ำซ้ำซากซาอยู่แค่นั้นปัญญามันจะไม่ขยับเคขยันเท่าไหน จะได้คิดนิดถ้าเราไม่ใส่จิตเราไม่เอามาคิดการพกคือหนึ่งมันถึงจะคิดเริ่มที่จะให้คนตนละเรียกคนให้ละพอเริ่มให้แล้วเรามาสเปรศัพไม่มาว่าใครนคนดีคนไหนคนชั่วคนไหนควรให้คนไหนไม่ควรให้ถูกไหมให้บางคนมันก็ไม่ได้ตามกตัญญูกตเจรีนมันก็มาม ก, ก, กลกกับย้อนมาทํา้ายเราไม่เห็นเดอเราไม่เห็นวุ่นคนของเราเราไม่ศาสนาเป็นคนแต่เขาไม่สนใจในสิ่งที่เราให้เขา เวลาไม่ให้อีกเขาก็เลิ่มปฏิสลไลเราต่อเวลาให้เขาเขาก็หยุดปฏิสลไลเรนี่แสดงว่าเราโขนเสียสิ่งที่เป็นกําลังใจของเราออกไปเขนเสียทรัพย์โขเสียของเพราะไม่จับคนที่ไม่โขรให้ไอตรอสัป ก, การชีวิตที่มันผ่านอย่างนี้มันทำเวลาคิดคิดคิดทุกจะไหมมันทุกเน่มันทุกแล้วมันไม่จะดายแล้วก็เลยเริ่มจะมีขอบเขตในการให้แล้ว อันนี้คุณไม่ให้คนประเภทนี้คุณไม่ให้คนะเภ ท, น, น, เทนั้นคุณไม่ให้ใช่ไหมเลิกนะก็แล้วลให้คนที่ควรแต่ให้แต่เราก็ยังมีปัญญาน้อยยังไม่มองถึงผลที่จะเกิดขึ้นทำไมเราถึงให้กับุคนที่ควรให้เพราะอะไรเพราะคนที่ได้รับเนี่ยเอาง่ายๆชอบประบัติตาร ก, กันอยรู้คุณเขาจะรู้สึกคุณค่าที่เธอให้มากแม้แต่น้ำเจ้าเดียวถ้าเขาไดโอกาสตอบแทนาคนณของเธอได้เขาจะให้ทันที ไม่ใช่น้ำแก้วนั้นแต่ถ้าในสิ่งที่คนกำลังเดือดร้อนเจ็บทุกข์อะไรก็ได้ที่คนกำลังเดือดร้อนเขาจะกล้าลงเข้าไปช่วยเหลือคุทนทีนันแค่เราเห็นคามกตัญญูรู้คุณใช่ไหมมันทาให้เขาตอบแทนกลับมาเราจะมีการสุดัหมมีการสุดใน่ราพาภาวะที่เรากาลังย่ำแย่ก็ยังมีคนประนี้กล้าวมเข้ามาช่วยเหลือเราการให้ของเราเส่อมเปล่าไหมไม่เสื่เปลาบเป็นการให้ที่ดีแต่ก็ยังดูไม่หมดถูกไห เพามันจะมีอะไรค้างค้างค่าใจอย่างที่พูดมาเต็มเอ็นนี้ไปถึงรายละเอียดในเรื่องของทานบาลามีที่พูดให้มันหมดทั้งหมดเลยเนี่ยฉันว่าอีกสุบตัวที่จะยังพูดไม่จบคิดว่าอย่างนั้นจะพูดกับทวา น, นี้ให้เธอได้เห็นว่าเราจะขาดทำบาลามีให้ทานบาลามีเต็มจะอยู่ตรงไหนมันจะเกิอะไรที่จกับใจเราจริงจะี่ว่าที่สุดจจาการลาไดม่จบนะ พอเข้าใจไหมที่พุทธออกไปเมื่อครูนี้ก่อนหน้าเนี้ยขาดจริงๆไม่มีเยินดูไม่มีอ้ารไม่มีสุขไม่มีทุกข์รู้แต่ว่าสิ่งนี้เพื่อยังประโยชน์แต่ผลหลักเราแล้วประโยชน์ของเราคือกันไม่กลับมาเกิดสิริพันธ์หรือคนศาสนาพุทธที่ยังก็มีต่มองไปทางที่จะเดินไปสู่พระโพธิญาณ คนที่ปาจจณาพุทธะก็ตั้งตามปาจจณาเปนแค่ไม่กลัดมาเกิดดนั้นไอการทําทุกอย่างพักสมบัติมันก็เลยไม่มีความหมายคว่าไม่มีความหมายไม่ใช่ไม่ใช้ไม่แก่ไม่เกดไม่ดูแลรักษาไม่ใช่ไม่มีความหมายที่เหลือแล้วสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่ของที่นํามาทิ้งฝันจบของเราชีวิตจมมีความหมาย ก็ไม่เลาไปดูแลรักษาตัวเราอิบแม้เราไม่กินไม่ใช่ก็ยังติกตกแต่งดูแลปกติเหมือนเดิมรักษาเหมือนเดิมแต่มันไม่มีความหมายคือมันไม่ใช่ความสุขของเราการเป็นมนุษไม่ใช่ความสุขการมีทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ใช่ความสุขความสุขของเราสึกการไม่กลับมาเกิดตายเดี๋ยวนี้เราจะได้ไปนิพพานไม่ใช่ความสุขของเราเป็นอารมมาสุกอารม์ใจมันเป็นอารมณ์เดียวเวลาเราละไม่ท <ine> <that> you know ําการให้ออกไปมันจะขาด ขาดออกจากใจไม่มีประวงไม่สนใจตามรู้สึกของใครจะรู้สึกยังไงก็บสิงที่เราได้ทําออกไปคนที่ชอบใจเขาก็ติดถูกไหมคนที่มันอิจฉาเขาก็กระแนะกระเนื้อใช่ไหมไม่ก็มีสิ่งเหล่เนี้เข้ามาเป็นโลกธรรมที่ผมเข้ามาในใจหลราโลกธรรมเหล่าเนี้ยเราเนี่ยจะไปเดิ น, เดนจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมตั้งแต่ประการ จะไปทางโลกธรรมที่ฝ่ายยินด so ีที่ให้ลาสกาละปัดแทงกลับมาให้คำกระสัะสือยินดีให้แล้วเรารู้คว่าสินี้จะเป็นตามสุขสิ่งนี้เป็นต้นให้ยาบรรดาศัก์อย่างเงี้ยรู้ว่าเขาทำลายยาบรดาศั์ของเราทำลายความสุขของเราทำลายความยินดีที่เรามือกลับมาไปทุจร้ายกล่ากาจาจะดูกับเราดังน้นว่าด้านใดด้านหนึ่งในโลกธรรมั้งต่จัาร มันจะไม่เกิดจับใจของบุคคลที่มีบารมีเต็มในทางที่จะเครื่องบัสแล้วก็ต้องขยันในการปฏิบัติคือต้องขยันให้เติมมาต้องคิดตันใจให้อะไรฉันจะทำยังไงแล้วตัดสินใจากับอะไรสิงนี้ทั้งมีอะไรที่ตัวสิ่งนี้สำคัญจะชันไหมต้อกคิดแล้วทรัพย์สำคัญจะชันมากไหมของเหล่านี้มันสาคัญจะชันมากไหมแต่ไม่ใช่เราให้หมดตัวให้ทุกอย่างให้เกล้วยเลยลลเล็กๆตัวเองดั้าจั่น เขาบอกฉันหมดแล้วฉันะดาแล้วโดยแจ้ผ้าอย่างนี้ไม่ใช่บาลานซ์ตนโง่ตน เ, น เ, นเนขาไม่ได้ขนขวายเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสําคัญเขามองเรื่องธัญญยามุขี่เห็นว่าสิ่งนั้นน่ะมันมีความหมายกับตัวเองหรือว่ามันหมดความหมายกับตัวเองไปแล้วถ้ามีความหมายกับตัวเองคือรังมันแล้วมันยังให้ความสุขยังเสดายอยู่ถูกไหม ถ้าหมดไปแล้วก็จะเองคือมันหมดแล้วเราไม่ตัดพันาอะไรแล้วแต่ถ้าหมดแล้วคือสิ่งที่เราไม่ต้องการไอ้ น, นี้ถือว่าบาลมีเส็จไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องกา ร, าการยังเก็บไปอยู่ใช้ไม่ได้ถูกไหมอ่าจต่รามองถึงประโยชน์ที่จะให้นะไม่ใจะของเก็บไปเนี่ยแล้วเราเกจบไปเพื่อใครไม่ใช่แต่เราจบกับบุคคลที่ควรจะให้ไม่ใช่ให้ส่งเด็กถือว่าเขาจะทาทานละเอาอาาอกไปออกไปออกไปจดใจจดใจจดใจหมดลว ฉันโ่งแล้วฉัสบาละวเออฉันบาลมีเตมแอ้มีกระโง่โง่เหมือนกันถ้าจะของหมดคืบารามิเตมไม่จะทําให้มากคือบารามิเตมไม่ใช่ทั้งสองประการบาลมีเตมคือค้อมีปําญาเตมที่เลือกที่จะให้กับบุคคลที่ควรให้เลือกการเวลาที่ถูกเลือกสิ่งของที่ถูกเลือกสิ่งที่จะพูดเรื่องสิ่งที่จะให้ของเรื่องสิ่งที่จะทำกับการเวลาอันเหมาะควรนั่นแหละคนมีป e ัญญา แล้วก็ไม่ทวงกับสิ่งที่เป็นผลกระท้องกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่กระทำทางดีหรือว่ากระทำทางร้ายตนะ่อขจิตว่างนะนะแต่มันต้องฝึกที่เพื่อนีมันจะแบบตุ๊บตับเต็มเต็มเห็นหมแล้วต้องกลับไปทํามันทําทุกอย่เต็นมาคิดเลยเราจะทําอะไรในทางนี้มาจนบาลีถ้าทาจนเมื่อไหร่มันนกผลจะกระจิดจิต ตัวอย่างทะลัได้ง่ายแล้วถ้าไม่คือการตัดขันห้าไปในตัวนะอย่าลืมว่าการพัฒนาเพยงเท่าไรนี่คือการตัดขันห้าแล้วนะแทนวันซับสมบัติไทยมากไม่มีความใหม่แล้วคิดว่าคนไม่ห่วงใจตัดสิ่งของที่มันนํามาทึ่งความทิ่งคนอื่นเขาห่วงเหงาเห็นไหมมีบ้านห่วงเหงาบ้านมีรักของแหงารถมีซับห่วงนั้นซับมีสิ่งของห่วงแหงาสิ่งของเจำไว้เลยการเราไม่เห็นมัมีความหมายก็แล้วตัดขันห้าไหมตัดตามพอใจยอดีในการเกิดแล้ว นี่มันตัดไปนในตัวอะไรนะทานบาลมีตัวเดียวในบารมีสุดเต็มหลังแยกสุด ข, ขาดถ้าเธอรู้จักที่จะทำมันใ่อยๆแล้วก็จักคิดรู้จักมองเห็นผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราให้ทานออกไปยากไหมคิดว่ไม่น่ายากนะกระดูกตะกุณหลวงพ่อก็เตุ้นสอนเราอย่างนี้สุดไหมถ้าเจดจํากันได้ก็มี มีอย่างนี้วันนี้าท่านมาย้ำให้เธอได้เอากลับไปคิดพิจารณากันว่าสิ่งที่เราควรจะต้องกระทาให้เรามีคป็นคนที่มีบรารมีเต็มเพื่อไปนิพานได้เนะี่ยมันคือการให้ทานถ้าสิ่งนี้มันเป็นสมบัติที่เธอมีแบบเป็นชีวิตจิตใจจะทํากับสิ่งนี้มามากคุ้นเคยกับมันมามากเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยมาม า, มากๆนี่แหละไม่นจะถึงวัย จบจุดได้เร็วถึงมักผลได้เร็วไดอาศัยทำบารมีที่เราตั้งใจทำนี่แหละนเะเวลาก็พอสมควรนะเยอจะเด็กเกินไปจะข้างน้าพัทยินจะเปรยแล้วอไปกับได้ก็อาสจรละเราจะไม่ล้ม <laughs> วางเตาจบแล้ววานงนอหลับเอ่อตั้งใจที่จะจบก่อจนจนะมาทุกทางบุญญาพลังมณนละบุใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอพิจงตรโกศนี้ให้แก่เจ้จากรรมเมรเวนทั้งหลายอหได้โปรดเมรุธนาโปรดโปรดตอบโทษในแก่ข้าพเจา้าตั้งแต่บัดนี้าาราช า, าข้าวเกิดพระนิพพานขอีิจิตรโกศ น, นี้ให้แก่เทวพระเจ้เาทั้งหลาย ปักรษาข้าพเจ้าและตัวปราชา์ทั้งหลายเพื่อส า, ากราชภพและพยาเยมราชขอใพเจารเจาทั้งหลายและพญาเยมราชื่อโปรดโมทนาจะโปรดเป็นป ส, สักขีพยานในการบรรเปนกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และขอที่ส่งโกศนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีจป็นญาติก็ดีนิสัยญาตก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมโนทนาจงเพ่งรับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะเพ่งได้รับ และการระบัดเหนี้เทิเป็นหลกบนไดที่ขปจาทั้งหลายได้ะทำแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเปนปัใจจัยให้ขปจทั้งหลายได้เข้าถึงซึง่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเทน